หัวหิวอยู่สบายหรือยังพี่อลสบายนะได้เจริญเมตตาไว้นัไน้ใ่ไล้อย่ า, ายไป เ, <c oughs> เชื่ออะไรง่ายๆมีเทคนิคนหนึ่ง <c oughs> นะคือเมื่อมีแต่ผู้หญิงคนนึงไปอยู่เขาพอ้อทะเลภูอะไรนะ้นจน้ผีมันหลอกแน่ผีมันหลอกมันล้อเรียกให้หลวงพ่อช่วยเรา ผีบางตัวเนี้ยเราจเจริญเมตตาแนละ้วมันก็โอเคี่ยอมบางตัวไม่ยอมนะ mm hmm. ตัวเป็นมิจฉาทิฏฐิรื่นเลยงั้นเราก็ต้องเป็นแข่นเมตตาให้พวกเทวดาไว้ mm hmm. ให้ผีด้วยถ้าให้เทวดาเนี่ยให้เทวดามาเป็นพวกเราไหม mm hmm. พวกผีมันไม่กล้าหนระ mm hmm. หลายคนนะพอหัดเจริญสติที่คุณสว่างมาเล่า mm hmm. นาเช่นเหมือน ไม่ขีพอนทําเป็นนั่นแหละคิดคิดอยู่ไม่ขาดขาดขาดขาดไปเดื่หายวับวับวับไปเป็นธรรมดาเงี้ยหนีไปแล้วเหน็นแต่เดิมเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยเห็นแเรวก็ เ, ยเลยคิดว่าเรารู้สึกตัวได้ทั้งวันแท้จริงแล้วความรู้สึกตัวเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาไม่ขีและไม่จใจจิตใจของเราเป็นขัน แิต่เราก็อยู่ในขันท่าใช่ไหมหรืออยู่นอกขันท่าเ <c oughs> มื่อมยู่ในขันท่าเนี่ยตัวจิตนีนเป็นของไม่เที่ยงตัวจิตมันเป็นตัวทุ้งนะไม่ใช่ตัวสุขตัวจิตเป็นตัวอนัตตาบังคับไม่ได้นี่ผู้ปฏิบัติจะตั้งเป้าหมายผิดอยากให้จิตดีถาวรสุขถาวรไหมมันก็เป็นตัวทุกข์ก็อยากให้มันสุขมันเป็นตัวไม่เที่ยงก็อยากให้มันถาวร ้พยายามทุ่มเททูกสึ่ทุกอย่างเพ่จะบังคับมันให้ได้แกนใจของเรานี่แหละฝืนใจรับความไม่รู้เนี่ยทําให้เราไม่ยอมรับใจรับอยากจิตอยากให้จิตดีถาวรจิตของเราดีถาวรทั้งๆ ท, ที่จิตมั็นของไม่เที่ยงมเป็นของเป็นทุกข์เป็นของบังคับไม่ได้ความไม่รู้เนี่ยทําให้เราดินดด้นรนดิ่นหนดสูงแต่งการปฏิบัติตั้งมากมาย ด้วยจะให้สุขถาวรดีถาวรไม่ตอบสนองเนี่ยดิ้นรนทําในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ความ พ, พ้นทุกข์อยู่ตรงที่รู้จริงแล้วปล่อยวางความยึดถือปล่อยวางความยึดถือจิตนั้นไม่ใช่เป็นฝึกจิตให้ดีเราจะต้องฟฝ้ารู้ไปเห็นจิตนี้แต่ไม่เชื่อเกิดดับไปเปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้พักสัครู่เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างเฝ้าสู่กับ เราปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงว่ากายนี้จิตนี้ขอไม่เที่ยงนะเป็นผนะู้นั้นไม่ใช่ตัวเร า, เ, ราเห็นความจริงแล้วจะวางพอวางแนละ้วจิตใจก็เข้าถึงสันติสุขมีความสงบสุขถ้วันนี้มันไม่เข้าถึงสันติสุขมันไม่เข้าถึงนิพพานในนิพพานคือคาว่าสันติเลยเราเข้าไม่ถึงสันติสุขเพราะว่าเราดิน้นไปเรื่อยดิ้นอะไรอ่ะดิ้นอยากให้จิตนี้อยากให้กายเนี้ยมันเที่ยง อยากให้มันเป็นสูงอยากให้มันบังคับได้ตามใจชอบอยากลุมมันให้ได้เราไปดิน้นในสิ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นความฟุกขเนี่ยนะไม่มีวันสิ้นสุดเลยการเดินทางในสังสารวัฏไม่มีวันจบสิ้นเลยทางจบสิ้นมีทางเดียวรู้ลงมาที่กายรู้ลงมาที่ใจจะเห็นว่าจริงเราบังคับก็ไม่ได้ที่คุณสว่างเห็นคุยกับเขาเทียงกับเขามันมันเดือดขึ้นมาให้เห็นตัวหนึ่งเป็นคนดูนะที่นี่ก็ยังเต้นไป มันทำอะไรไม่ได้แล้วพอเห็นซ้ําๆๆติง่งต้อง ใ, ใจยอมรับความจริงก่อนยอมรับความจริงก่อนว่าจิตเนี่ยเป็นของบงระคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรารู้ความจริงอย่างแต่อย่างยึดนะไม่ใช่ตัวเราแต่อย่างยึดยังงกอยู่รู้ว่าของชาวบ้านเขายึมเข้ามาใช้แต่ไม่ยอมคืนเจ้าของสภาพจิตพระโสดาบันเนี่ยเป็นอย่างนั้ น, นจะเห็นแล้วจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเรากายนี่ไม่ใช่เรานี่ของดู ง, ง่ายคนนอกศาสนาพุทธก็เห็น แต่การจะเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเห็นยากมีแต่ในธรรมะวนินัยนี้เท่านั้นครูเทสชาบมีแต่ในศาสนาของท่านนี้เท่านั้นถึงจะสอนจนเราเห็นได้ว่าจิตไม่ใช่ตัวเราวิธีที่จะเห็นได้ว่าจิตไม่ใช่ตัวเราดูของจริงใช่ไหมจิตใจของเราเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย <S <S เดี๋ยววิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูเดี <S <S <ๆ>๋ยววิ่งไปทางใจเดี๋ยวขาดดับปั๊บลงพวงังเดี๋ยวขึ้นมาใหม่ไม่ได้เชิญให้ลงก็ลงเองไม่ได้เชิญให้ขึ้นมาเขาขึ้นมา ไม่ได้สั่งให้วิ่งไปทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกทางเล่นทางกายนะมันจัดการของมันเองทางใจก็ไม่ได้สั่งว่าเปกู้ส่วนเลือดกู้ส่วนสั่งไม่ได้แนี่ดูของจริงยังเห็นของจริงเห็นของจริงรู้ว่าไม่ใช่ตัวเราแล้วเราบังคับมันไม่ได้มันเป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งที่ทํางานได้ด้วยตัวเองแม่ชีเ ร, ริ่มรู้สึกบ้างไหมเป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งที่ทํางานได้ด้วยตัวเองแต่เรายังอยากบังคับอยู่อยากให้มันดีอยากให้มันสุข ความไม่รู้ของเรายัางอยู่เวลาเฝ้า ร, รู้เฝ้ารู้ลงไปวันหนึ่งเห็นเลยจิตนี่ไม่ใช่ธรรมชาติอะไรที่เราบางังคับได้สักอย่างเดียวเป็นธรรมชาติที่แปรรวนตลอดเวลาทําไมต้องเน้นที่จิตอกกเอกจากัไอสัก ย, ยันตินิยมความเห็นผิดว่าขันห้าเป็นตัวเราตัวที่ล้ายากที่สุดก็คือความเห็นว่าจิตเป็นเราพระพุทธเจ้าสอนเลยดูก่อนที่คือทั้งหลายอุทุชนที่ไม่ได้สดับสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่ตัวเรา เพราว่าเห็นนะคนนู้นก็ตายคนนี้ก็ตายหน้าเราตอนนี้กับหน้าเราตอนเด็กก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงแต่รู้สึกว่าจิตนี่เป็นตัวเราที่แท้จริงคิดว่าในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเป็นเราถาวรด้วยจิตของเราตอนนี้กับเราตอนเด็กเด็กก็คนเดิมไอเราตอนนี้กับตอนในอนาะคตก็คนเดิมพอเราตายไปไอจิตดวงเดิมนี่ก็ไปเกิดอีก <Liebe. S 1> เห็นแต่ว่ามันมีตัวถาวร อ, อยู่อย่างเงี้ยเพราะฉนั้นมีสติ รู้ลงมาให้ถึงจิตถึงใจหนะลวงปู่เทศถึงสอนว่าใครปฏิบัติเข้าถึงจิตถึงใจได้ถึงจะเรียกว่าได้แก่นสารสาระของการปฏิบัติถ้าปฏิบัติยังเข้ามาไม่ถึงจิตถึงใจเรียกว่าได้ผิวผิวมันได้เปลือกเปือกมันสำนวนท่านอาจารย์มหาบัวสำนวนบอกว่ากิเลสมันหลังไม่ถลอกนลยนั่นเข้ารู้ลงมานะรู้ลงมาได้ที่จิตก็รู้เลยถ้าคนไหนรู้จิตยังไม่ได้รู้กายไปก่อน ก็กลายเป็นบ้านของจิตเราจะหาเจ้าของบ้านอยังหาเจ้าของบ้านไม่เจอไปเฝ้าหน้าบ้านเดี๋ยววันนึงก็เห็นเจ้าของบ้านถ้ารู้กายยังไม่ได้ทําสมาธิทําอะไรไว้สักอย่างหนึ่งก็ได้นะยกนอ้องหนอยกเท้าย่างเท้าพุทโธกําหนดลลมหายใจขยับมือทําจังหวนะอะไรก็ได้เหมือนกันหมดเลยไม่มีอะไรดีกว่าอะไรหรอกเสมอกันแล้วแต่ว่าอันไหนถูกจะริตกับใครก็ใช้อันนั้น แต่ว่ารู้แล้วยกตัวใหญ่เช่นเราพุทโธพุทโธพุทโธไปใจเราหนีไปเที่ยวแล้วรู้ทันว่าจิตมันหนีไปแล้วพุทโธแล้วจิตสงบรู้ว่าจิตสงบในที่สุดเราก็รู้ทันจิตเนี่ยรู้ท้องคองยุบคลองไปยุบไปอะไรเดี๋ยวท้องท้องดูอยู่นะจิตยังหนีไปเลยจิตหนีรู้ว่าจิตหนีไปดูท้องไปเรื่อยจิตไปเพ่งท้องรู้ว่าเพ่งท้องในที่สุดมันก็เสลอไปก็รู้เพ่งอยู่ก็รู้จิตจะเกิดอะไรขึ้นก็จะรู้ทันขึ้นมา เมือ่อเช่นหมดกรรมฐ า, านอะไรก็ได้นะจะขยับมือท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนี้ท่านมาจะใสายของพ่อเจี๋ยให้ขยับนะขยำไปเถอขยับเพื่ออะไรหลวงพเ่เตี๋นบอกขย่าวธาตุรู้ขย่าวธาตุรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องการในการขยับนี่ก็คือการรู้สึกตัว น, นั่นเองวิธีที่จะรู้สึกตัวก็คือขยับไปใจเราหนีบิดคิดรู้ว่าหนีบิดคิดหลวงพเ่เตี๋นย้ำเลยว่าถ้าเมื่อไหร่เห็นว่า จิต ห, หนีไปคิดนะเนี่ยเป็นต้นทางของการปฏิบัติพูดเหมือนหลวงปู่ดูลเปี้ยมเลยแต่คนเราสัมมวนหลวงพเตียนบอกถ้ารู้ว่าจิตหนีไปคิดนะอาจารย์ําเขียนให้เรียกลักคิดสายหลกงพเขียนมันแอบไปคิดเรารู้ทันว่ามันคิดเราจะตื่นขึ้นมาในฉับพลันรู้สึกตัวในฉับพลันหลวงปู่ดูลบอกอยา่าส่งจิตออกนอกจิตไปรักคิดได้ก็คือมันออกนอกไปนนเมันลืมตัวเองไปทางเซนก็บอกให้ตื่นทางตาปลาบอกให้ตื่น ตื่นขึ้นมาก็คือไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดความฝัน น, นั่นเองตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็รู้ทันจิตใจไปหลวงพ่เตียนจะสอนต่อยนะว่าการดูจิตเป็นวิธีปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดสอนเวไงก็หลวงปู่ ด, ดูเลยหลวงปู่เทศก็สอนเหมือนกันถ้าใครปฏิบัติถึงจิตถึงใจหนึ่งจะได้แก่นสัารหลวงปู่ทาท่าซับมืดมัมีสติรักษาจิตสอนใจเรื่องอย่างเนี้คนระูบาอาจารย์ที่ท่านเก่ง แั้นเราคอยรู้สึกไปพอเรารู้สึกรู้เท่าทาันจิตตัวเองเรื่อยๆวันนึงปัญญาเกิดตัวจิตนี้ของไม่เที่ยงจริงจิตนี้เป็นผู้จริงๆไม่ใช่ตัวเราจริงๆพอรู้แล้วมันไม่ใช่เรามันทํางานของมันได้เองความเห็นผิดว่าจิตเป็นเราก็ขาดนี่ยสักยะทิฏฐิก็ขาดตรงนี้ในเป็นพระโสดาบันหลังจากนั้นก็คล้ายๆคนงบนะรู้ว่าไม่ใช่ของเรานะแต่ขอไม่ข่อยังหลวง หวงตื่นเช้าขึ้นมาสิ่งแรกที่หยิบขึ้นมาก็คือจิตนั่นแหละใช่ไหมตื่นเช้าขึ้นมาก็เริ่มหยิบแล้วหยิบมาถือไว้เตรียมไว้ดูแล้เอาไว้ดูดูทั้งวันวางไม่ได้นะวางไม่ได้วางยากที่สุดนี่เฝ้ารู้เฝ้าดูไปวันหนึ่งเห็นได้สิ่งที่เราอดูแบบมือแง้มแง้มมาดูเอ้านึกว่าของพิเศษกลายเป็นจิ้งขือเนี่ยจะรีบโยนทิ้งมันโยนเองนะไม่ใช่เราโยน งั้นฝึกนะฝึกรู้ตัวไปรู้จิตรู้ใจไปศัตรูของความรู้สึกตัวมีสองอันใจลอยเหลือไปเหลือไปคิดเหลือไปดูเหลือไปฟังเหลือไปคิดโดยเฉพาะเหลอคิดเนี่ยเหลือมากที่สุดเหลอมากที่สุดเหลอไปคิดศัตรูหมายเลขสองก็นั่งเท่งไว้นั่งกําหนดไว้นั่งประคองไว้นั่งควบคุมไว้ไม่ชี้ดูออกยังสนับสนุนศัตรูตัวที่สองท่ตัวโตเลยกว่าจะฆ่ามันได้นะ จะไปทำ้าเป็นตัวใหญ่ฝึกเหมือนกันนะฝเกจนสว่างรู้สึกคนสว่างชื่อดีนะชื่อสว่างสงบสะอาดสว่างน้อยรู้สึกว้ลงไปแล้วเออพิษุนีแค่ไรสามเณรเรียเ็าจะมาเมื่อไหร่ติดต่อเ็ได้หรือเปล่าเมื่อวานมีคนมาบอกว่าที่โคราชเขาไม่ให้พักแล้ว เหรอแล้วตรงโรงเขาให้ไปอยู่ไหมไที่อาตมารตาใช่ไหมคุณเล็กหรือเปล่าเหนือไผู้หญิงหาที่อยู่ยากยากที่สุดเลยนั่นไม่บวชชีด้วยแต่บวชเนรมาจากลังกายิ่งหายากหนักเข้าไปอีกข้าไปวัดไหนเขาพวกกลัวไม่รู้ว่าสํานักอะไร จริงๆธรรมะไม่มีผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงผู้ชายในเรื่องของโลกเราฝึกไปเรื่อยเสมอกันเสมอกันในทางปรมาตร์นะแตกต่างกันในทางสมมุตินีเวลาที่เลัจัดการกับโลกอยู่กับโลกก็พลอยตามสมมุติก็มีผู้หญิงมีผู้ชายนะแม่ชีถึงเงี้ยภาวนาเก่งเป็นพระริยะนะัษอะไรงก็ยังไหว้พระปุถุชนอนี้สมมุติเขาเป็นอย่างนั้น ดูจับใจลอยไหมวเนี้หมูมากระไคนี้ยพ อ, อจิบน่านอาจารย์เยอะมากันหลายคนนะครับโน่นทางโน้นดูเ้าลืมตัวเองฝึกไหมดูเขาแล้วลืมตัวเองเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะไม่ให้ลืมนะไม่ได้ฝึกเพื่อจะบังคับนะฟังให้ดีเราฝึกเพื่อให้รู้ตามความเป็นจริง่จิตเนี่ยเป็นของห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ จิตนี้ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่ทํางานของมันได้เองเข้ารูล้ลงไปเรื่อยๆนะการปฏิบัตินอกเหนือไปกว่านี้ก็คือขี่ม้าเลียบค่ายไปเรื่อยๆหรือตีอ้อมๆตีกินตีละเล็กตีละน้อยนะเมกะกิเลสมันตั้งหลักได้ก็ตีเราหมอบทีนึงพอมีแรงขึ้นมาก็ไปขี่ม้าเลียบค่ายต่อไม่กล้าเข้าไปทําลายฐานที่มั่นของมันทีกจิฐานที่มั่นของกิเลส ค, คือจิตเรานีเอง ในกิเลสเนี่ยครูบาอาจารย์สอนอาจารย์มหาบัวสอนเลยกิเลสมันกลัวมากเลยกลัวเราจะดูจิตตัวเองมันจะผลิตลูกเล็กรูกน้อยกิเลสเล็กิเล ส, สน้อยมาล่อให้เราเลิกดูจิตตัวเอง<ด>อย่างพอราคะเกิดเนี่ยแทนที่เราจะรู้ว่าราคะเกิดดูจิตตัวเองแล้วก็มัวไปดูคนที่เรารักเนี่ยโสดาเกิดแล้วก็มัวไปดูคนที่เรากโกรธไปคิดถึงคนที่เรากโกรธลืมดูจิตตัวเองว่ากําลังกโกรธอยู่ ความสุ้งซ่านเกิดจะคิดใหญ่เลยฟุงไปเรื่อยๆลืมดูว่าจิตกำลังฟุ้งซ่านความสงสัยเกิดจะคิดหาคำตอบใหญ่เลยเตรียมมาถามหลวงพ่อไม่ใช่ไม่ชอบให้ถามด้วยสิหลวงพ่อวันนี้ไม่ยอมให้ถามเท่าไหร่หรอกเนะขาไม่ได้ถามใจนึกอื่นอ่ะดแล้วรุ่มใจคนโมโหนะเมื่อวานมีคนโมโหอยากมาพูดไม่ใช่อยากมาฟังอยากมาพูดม า, มานั่งหน้าเลยมารอพูด บอกพอโอ๊ะ่นี่บรรยาการนะาหนักว่าข้าใครอยากกลับบ้าน <c oughs> ก็เชิญกลับได้เลยนะตอนเก้าโมงครึ่งใครจะกลับก็ได้เชิญด้วยว่ากันใครที่ถูกหลอกมาแล้ว ร, รู้ตัวว่าถูกหลอกเนะี่ยเชิญกลับได้เลย <c oughs> ไม่ยอมกลับคือ <c oughs> ผ่านมากใครรู้ไปนะรู้ไปง่ายนิดเดียวรู้จิตรู้ใจตัวเองไม่ใช่เผลอไปคิดเอาไม่ใช่คิดเรื่องจิต คิดเรื่องอื่นไม่ใช่เพ่งกิตรู้กับเพ่งไม่เหมือนกันวันก่อนอาจารย์กำพลอาจารย์กำพลไหนหน้าทองทอบุญนุ่มมามาหรือเปล่าเมื่อวันสื่ออาจารย์กำพลแกก็พูดดีนะบอกว่าหลวงพ่อเทียนบอกให้ให้รู้รื่นหลังๆก็ชอบไปทำช่าไปบังคับ บอกเนี่ยตาบาไม่เคยสงสัยหลวงพ่อเจียนเลยเคยเข้าไปเจอท่านเข้าไปวัด ส, สนามในได้ยินชื่อเสียงท่านเข้าไปท่านขยับมือโอ้หลวงพ่อเจียนตื่นจิตตื่นลูกปิดขยับนะมีพวกหนึ่งนะอีกพวกหนึ่งขยับลมๆแรงๆนะไม่เพ่งไว้ก็เปลือไปอีกพวกหนึ่งคิดแต่เรื่องมือท่านนี้แล้วเดี๋ยวจะต้องมาท่า น, นี้เฮ้ยแล้วท่าไหนวะอ๋อท่านนี้ คิดเรื่อง ห, หลวงพ่อเทียนขยับหลวงพ่อเทียนตื่นหลวงพ่อเทียนขยับไปอย่างนั้นแหละขยับให้ดูเป็นตัวอย่างหงรือครูบาอาจารย์เดินจงกลมให้ดูเป็นตัวอย่างํางไปจุดสําคัญคือต้องตื่นขึ้นมาให้ได้ศัตรูของความตื่นเหลือไปกับบังคับไว้เพ่งไว้กําหนดไว้ประคองไว้ ง, ง่ายๆนะจริงๆง่ายที่สุดเลยถ้าเมื่อไรเรารู้สึกว่าการปฏิบัติยากเนี่ย ให้รีบสังงอนไว้เลยทำผิดแล้วล่ะการปฏิบัติที่แท้จริงง่ายที่สุดเลยเช่นเดินเดินอยู่ไปเหยียมที่หมาเข้าขยับขยแยงรู้ว่าขยับขยแยงนี่ปฏิบัติแล้วนะเห็นเลยความขยับขยแยงเปสิกที่แปลกปลอมเข้ามาในจิตเราห้ามทุกไม่ได้นะใจมันจะขยับขยแยงง่ายมากเดินเดินไปเห็นดอกไม้สวยใจมันชอบรู้ว่าใจมันชอบง่ายมากเลย รู้จิ well Susan, ตใจไม่ออกตอนนี้แหมกำลังหัวหมุนติ้วๆเพิ่งคิดงานมามากๆมีเรื่องคิดมากดูจิตใจไม่ไหวเห็นร่างกายมันเดินไปเราเป็นคนดูนะแต่ร่างกายมันเดินให้เราดูเราจะรู้สึกเหมือนเห็นร่างกายคนอื่นเดินอยู่จะเห็นเหมือนเห็นคนอื่นคุณชัดเป็นไหมเห็นเหมือนคนอื่นบ้างไหมหรือตัวครูตลอดคุณบพาอะไรเห็นม้างไหม แล้วอะไรยังไม่เห็นอีกเหรอแค่รู้สึกตัวก็เห็นละแต่เราคิดมากไปคิดว่าจะต้องเห็นอะไรลึกลับมากกว่านั้น่รู้สึกไหมที่นั่งอยู่ไม่เผลอเนี่ยตัวที่นั่งอยู่เนี่ยมันของถูกรู้ดุ่งดูทั้งนั้นเ่ยคุณคุณชั้นหนีไปคิดอย่างเงี้ยมันไม่รู้หรอกเถ้านหนีไปคิดจะทําให้รู้ไม่ได้คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้แม่ชีก็คิดเอานะตระกูลนี้ชอบคิดอ คุณเยาว์นะคุณเยายิงคิดหนักกว่าเพื่อนเลยพี่ชายไม่มา พ, พี่ชายที่อยู่เมตองปูนพี่คุณชัดพี่ชายพี่เชียร์เลยภรรยามาแทเหรออ๋ อ, อ, อมีผู้แทน <c oughs> รู้สึกไปนะนี่สกุลนี้เขาดีนะเข้าวัดท่านสกูลเลยเป็นสกูลสัมมาทิฏฐิ 40. ลินรู้สึกว่ามีบุญไหมหรือ เวนกรรมนี่จ้ลุงป้าน้าเข้าแต่วัดคุณน้องว่าไงคุณน้องไม่มีอะไรไม่ต่เป็นธรรมะนะมีขึ้นมาเพราะเราคิดเอาในโลกนี้สิ่งที่ทำให้คนทะเลาะ ก, กันได้นะมีสองอย่างเท่านั้นคือตัณหากับทิฐิพูดสมัยใหม่ก็คือผลประโยชน์กับความคิดเห็น ผลประโยชน์ขัดกันก็ต้องทะเลาะ ก, กันความคิดเห็นขัดกันก็ฆ่ากันได้แล้วเราไปรู้ใจเราเกิดตัญหาเราไปรู้ใจเราเกิดความคิดความเห็นคุณน้องเจ้าความคิดรู้สึกไหมเรามีความคิดความเห็นมากไหมนี่ควรอย่างนี้อันนี้ไม่ควรอย่างนี้คนนี้กขน่าจะอย่างนี้เราไม่แค่เห็นตัวเองนะเราไปเห็นให้คนอื่นด้วยนี่ตรงนี้ไปรู้รู้แล้วเราจะสบายกว่านี้ คุณน้องไม่ชอบให้ใครบังคับใช่ไหมน้องอย่าเป็นบังคับคนอื่นนะบาปนะอย่างครูบาอาจารย์าโาองไม่ชอบยุ่งกับคนเลยอย่าพาคนไปหาท่านเยอะนะ <c oughs> มันบาปนะแต่แต่เดี๋ยวเราก็รู้สึกโอ๊ยทำไมเราถูกก็บังคับตลอดเลยฝืนใจนี่เอานะเลิกไปเราอย่าเอาความเห็นเราเป็นตัวตั้ง สิ่งที่ทําให้โลกนี้วุ่นวายในใจเราวุ่นวายนี่มีแต่ตัณหากระทิกิีเนี่ยตัวร้ายน้องดูไว้เรายึดในความเห็นของเรามันก็ต้องไปปะทะกับความเห็นคนอื่นเราแสวงหาผลประโยชน์มันก็ต้องไปขัดประโยชน์คนอื่นดูตรงไหนพอเหมาะพอควรอย่างการช่วยเหลือคนเป็นกุศลแต่ก็ช่วยผสมพันอย่าทําตัวแบบเกียรไขนะไม่เอาเกียรไขเผาตัวเองไปเรื่อย เมื่อก่อนที่หินบางเป้งมีผู้หญิงคนนึงใจบุญมากเลยชื่อแม่บู่แม่บู่ใจดีเวลาใครไปหินบางเป้งเป็นตกห ล, ลักกรรมลําบากอะไรนะไปบอกแม่บูแม่บูช่วยหมดเลยหารถกลับไม่ได้วิ่งไปหารถให้ไม่มีข้าวกินผัดข้าวให้กินอาตมาเลยให้คำฝันแนะ่คิดอะไรไม่ออกบอกแม่บูแม่บูอยู่วัดแม่บู่ใจบุญ เราปู่เทพก็เรียกมาแม่ปูทํากับข้าวนแะตั้งแต่ปีสามปีสองปีสามแม่ทาแล้วทําไปแล้วก็รืม้มเห็นคนมากินกับข้าวกันหมดป ล, ลาเขาฉันต่อป้าฉันเสร็จนะได้พักมาเดียวเดียวซักเสื้อซักผ้าเดี๋ยวเดียเดียวเริ่มอีกละตอกอมอกกระเทียมอีกล่ะทําได้แต่กลางวันเนี้ยทำไปเย็นเย็นค่ำถ้ามืมดปีสามไอ้ลุขึ้นมาทํากับข้าวปู่เทศก็เรียกมาเตือนนี่เจ้าภาวนาบ้างนะ บุญของเจ้าช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยบุญของเจ้าเท่านี้ผู้อื่นเข้ามาภาวานาเขาได้บุญแค่นี้ของเจ้ามันแค่นี้ให้เจ้าภาวานาซะบ้างแกทนไม่ได้แกชอบทำหลวงปู่ก็ต้องขอ อ, อุบายเนี่ยอูบาจาร์ใจดีที่สุดอ้าวต่อไปนี้ให้ทําวันหนึ่งไม่เกินสามอย่างแม่บุญกรองใจนะแต่ทนได้ยังได้ทําอยู่ได้ทำสามอย่าง อยู่มาอีสักพักหนึ่งหลวงปู่เรียกมาอีกอมันสิ้นเปลืองสูงต่อไปนี้ทํำมาละอย่างเดียวนี่ตรอมใจมากกว่าเก่านะแต่เขาอยากรับได้ยังได้ทาอยู่นี่ครูบาอาจารย์นะโอ้เมตตาแบบนี้ครูบาอาจารย์อยากให้เลิกไปเลยอยากให้ภาวนานครูบาอาจารย์ก็คิดกับคุณน้องแบบเดียวกันเลยอยากให้ภาวนาของเรานะไปช่วยคนอื่นมันก็ดีเหมือนกันเลยมันดีแค่นี้มันจะไปเกิดนาน เปนลมอนั้งไงวนาที่เดมาตว่ม่อานคือี่เนัดีนะอยู่ที่นั่นก็เห็นตััวเยอเลยหลพ่อไปยังลัวเลยลัวจุงโอยอยู่ไม่เคยเจออยู่ที่ไหนเยอะเท่าที่นั่นอยู่ที่นั่นนะไม่ใครมาบอกนะว่าพี่ใบอ่ะบอกว่ามันไม่กลัวตะไคร่ตเคยเลยไม่กลัวหรอก อืท่านเรียงไม่ดีเชื่องงูเยอะจิตยังไม่ตื่นขึ้นมาทราบไหมจิตยังไม่ตื่นนะยังทำอยู่ดูออกไหม ย, ยังประคองเอาไว้บุลมอนดูออกหรือเปล่าขณะนี้ใจไม่โล่งสึกไหม รูล้ลงไปถ้าเรารู้สึกตัวแท้ๆนะใจจะโล่ล ง, ลงขึ้นมาเลยสว่างโล่งว่างขึ้นมาไปรู้สึกไปนะท่านที่หลวงพ่อมาสอบอบออ้อยไรค่ะที่แล้วมันจากไปมันรู้สึกเลยว่ามันเปลี่ยีแปลงจีดจะไม่เข้าใจแต่เราข้าใจอือดีแล้วแล้วเนี่ยันี่ยเออเจอแล้ว ง่ายที่สุดเพราะจริงง่ายนะถ้าเมื่อไรหลวก็บอกอะไรถ้าเมื่อไรรู้สึกว่ายากงไม่นั้นทําผิดแล้วอันนี้หลวงพ่ อ, อยังเอามาใช้เองว่าปีหลายยังใช้อยู่เลยพอนานไปแล้วรู้สึกอสองปี ก, ก่อรู้สึกมันยากไม่เฉลียวใจน้องครูสุวัตมันบอกมันง่ายง่ายแท้เนอะครูบาอาจารย์อื่นๆท่า้ก็บอกว่ามันง่าย้ทาไมเรารู้สึกยาก แสดงว่าเราต้องทำผิดอ่ะทำผิดแล้วทำไงดีอ่ะทำผิดแล้วหยุดสิตั้งหลักใหม่ลืมมันไปเลยรู้สึกใหม่ที่จริงง่ายที่สุดแต่ฝาดจะง่ายเลยล้มลุกรุ ก, ล, กลานมันแค่ค่อยๆลดระดับการทำงานองชิใช่แล้วมันจะเป็นเลิกทำงานจริงๆเมื่อรู้ว่านี่ไม่ใช่อะไรของเราหรอกถ้ายังตัวนี้ยังเป็นของเราอยู่ มันทํางานไม่เลิกเองแต่สติปัญญาซักฟอกมันมันก็ทํางานน้อยลงน้อยลงแล้วก็เห็นว่าเออถ้าทํางานน้อยๆและไอตัวนี้จะมีความสุขทำไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งไอตัวเนี้ยมันไม่ทํางานอะไรมันเด่นดวงมันสว่างสวยอยู่เนี่ยเรารู้สึกเนี่ยดีแล้วตุดทางแล้วเพราะไม่เห็นมันทําอะไรละตรงนี้ยังไม่สุดหรอกสติปัญญาซักฟอกเข้าไปแนละ้วมันทนสติปัญญาไม่ไหวไเห็นว่าตัวนี้แหละเป็นตัวทุกข์ พอทิ้งตัวนี้นะมันไม่มีงานต้องทำเพราะมันไม่มีจิตของเราภาวนาไปเอาให้ได้ให้จบในชีวิตนี้เลยนะ2องคนนะมันง่าย เ, าเพราะว่าเรายากไปอยู่แล้วอา้าคุณหนุ่มว่าไงคุณหนุ่ม เ, อเยอที่อยู่ร้างอือพูดเป็นใ่ร้างอีกคนละ ก็าพูดเป็นใจรักกันทุกคนเลยนะคุณน้องก็บอกไม่มีอะไรนี่ก็เป็นธรรมะเหมือนกันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนี่ก็ธรรมะเารั้เวลาเราูทงานมีเรื่องีเรื่องีปัญหามไรใใจเราก็ไม่ได้แต่รู้สึกไม่เป็นไรกกันกีนท่าสบายสบายใจรู้สึกหัไม่สบาย้เมื่อไรถ้าเมื่อไรแอบทำงานนะนะไม่น่าจะหนัก เมื่อไรทำงานขึ้นมาก็หนักไปแล้วแล้วคุณหนุ่มเห็นไหมเราบังคับมันไม่ได้ดูเพื่อให้เห็นความจริงว่าบังคับไม่ได้ไม่ใช่ดูเพื่อบังคับนะเนยจับหลักให้แม่นแล้วก็สบายแล่ะถ้าจับหลักผิดเนี่ยผิดทั้งชาติเลยชาตินายก็ผิดเยอะ ก, กว่านี้ค <Okay. S 1> ือฝึกบังคับไปเรื่อยๆบางเหมือ น, นเราที่เมื่อไรเราใจมันน่าสบายๆแใจมันงงงง แั่นแหละดูไปนะดูไปเรื่อยๆเคยมีคนหนึ่งนะใจนี่สว่างไม่เพ่อนไม่ไหวอะไรเลยนะสว่างจ้าอยู่นะมีความสุขมากอิ่มเต็มยิ่มอยู่นะอยู่ๆฉับพลันนะมันกลายเป็นฟุบล้วนๆขึ้นมาฟุบแบบไม่รู้จะอะไรเหมือนเลยนะรีบดูใหญ่ดูจะให้หายจะให้แก้หาทางทงําอย่างนี้ทํานี้ทําไม่ได้เลยนะต่อสู้สุดฤทธิ์สุดเดชจนปัญญาเลยเป็นปัญญาก็เออมันฟุบแล้วมันจะตายก็ช่างมันนะ นิพพานอยู่ปากตายถ้าคุณหนุห่นมเห็นทุกก็เห็นถูกไปละเห็นแล้วมีแต่สูกนะยังหลงอยู่อยเอา้ารินรู้สึกไว้ว่างไงติมนี้โท่เป็นใจรักอีกคนแนมะ้ชอบอย่างไรสำนวนแบบเนี้ย <c oughs> ถ้าคนไหนลงพ่อถามเป็นไงสบายค่ะมีญาติคนหนึ่งนะเจอทีไรถามเป็นไงสบายค่ะสบายสบาย เุาพูไม่ออกเลยใจเคลื่อนไปทราบไหมไหนแวบแวบไปก็รู้นะของคุณที่นั่งขัดๆกันอย่าบังคับมันปล่อยให้หมดนะยังไม่หมดอย่าบังคับเลิกปฏิบัติได้ไหมเลิกปฏิบัติหมายถึงลืมไปว่าเราจะปฏิบัติลืมว่าเราเป็นนักปฏิบัติลืมมันไปเลย แต่กายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกเรืเ่อยเรืยลืมคำว่าปฏิบัติซะคำ ว, ว่าปฏิบั ต, ติจะคิดว่าเราต้องทำอะไรไม่ได้ทำอะไรหรอกรู้สึกอ่ะใช่ไหมไม่ชีไม่ชีรู้สึกอะไรอตอนนี้รู้สึกอยากถามไม่ยิ้ไม่รู้สึกว่าอยากถ่ายยิ้มคิดดูตลอดเลยอาอยากถามตรงนี้ที่ทตุเลเรื่อง อ๋อเรียบปไป เ, เ, เรื่อยเรียบไปเรื่อยนะลงมาไหลเรื่ให้เข้าโจปตีนะก็ใจเด็ดเด็ดก็เข้าโจมตีเลยทำยังไงให้จบรู้เข้ามาทุกจิตที่ใจของเราเลยปรุงแต่งอะไรขึ้นมารู้รูปเดียวแต่อย่านั่งเพ่งไม่ต้องนั่งเพ่งอะไรแตะปลอมขึ้นในจิตก็รู้แตะปลอ ม, ข, ามาขึ้นมาก็รู้ไปคือเรานับปฏิบัติเนี่ยเรามีทิฏฐิเยอะทิฏฐิรือทฤษฎี น, นั่นเองมีความคิดความเห็นเยอะ บางคนเห็นว่าต้องทํำสมถะเยอะๆก่อนถึงจะเริ่มภาวนาได้บางคนบอกต้องดูกายก่อนถ้าปล่อยวางกายไปแล้วถึงจะมาดูจิตบางคนบอกว่าถ้าจะดูจิตต้องหาที่ตั้งที่จิตก่อนแล้วก็จะดูจิตเมื่อตั้งไว้แล้วต้องคอยเฝ้าเอาไว้มเนวนีเจ้าสานวนเจ้าความคิดเยอะมากที่เอาความคิดก่อนเห็นมาใช้หลวพ่อ ไ, มไเจ้าไม่เคยสอนอะไรอย่างนั้นที่ยุ่งขนาดนั้นเลย สมัยพุทธกาลเวลาท่านสอนสอนง่ายๆพิสูจทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวกายของเธออยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นก็ฟังแค่นี้เขาบรรลุพระโสดาบันุฆาลันกันนะของเราพิสูจทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวไอ้ความรู้สึกตัวเป็นยังไงทํำยังไงถึงจะเกิดเนี่ยเอาละเริ่มนะเริ่มนะเริ่มนี่ใส่เสียหรือว่ารู้สึกตัวแล้วกายอยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้น ให้เวลารู้เนี่ยจะทำยังไงจะตั้งสติตไว้ตรงไหนจะรู้ลงไปที่ขาหรือรู้อยู่ที่ท้องหรือรู้อยู่ที่ลมอะไรเงีย้ยไม่คิดเกินที่พระพุทธ เ, เจ้าบอกกแล้วเนต่เของท่านง่ายๆเลยกายมันเคลื่อนไหวกายมันอยู่ในอริยาบทอะไรเคลื่อนไหวไคก็รู้มันไปอย่างนั้นแหละมีหลายคนนะมีคนเมื่อเมื่อสองสามวันที้ให้พระโกมัเป็นกลุ่มใหญ่เลยครับเป็นกลุ่มพระอริยะโดยจิตแล้วมันรูพ้พระอริยะกันเยอะแยะเลยในทีม จะมาให้ให้ดูให้จะมาจะมาประกาศให้รับรองศาสตรปเกณฑ์ให้พระสัตตะในพาษาเนี่ยจะพากันมาพลวาตนะสิบกว่าคนกับยีบ่สิบคนโอยบรรลุอะไรกันเยอะแยะถามซระที่ท่านเป็นคนติดต่อว่าเข้าภาวนากันยังไงบอกก็ดูจิตเอาจิตตั้งไว้ที่ฐานลมแล้วก็ปากเออจิตตั้งไว้ที่ฐานลมก็แปลก น, นะพระพุทธเจ้าเขาไม่เคยสอน จะมีอย่างนี้เยอะมากเลยวิเราคิดมากไปของง่ายเลยกลายเป็นยากกีเรนสามตัวที่ทําของง่ายให้ยากเรียกว่าปัปปันจะนธรรมตัณหามานะคิดถิ่คิดถีคือเจ้าความคิดเจ้าความเห็นของง่ายก็เลยยากของง่ายเช่นคนเข้ชมเราเราดีใจรู้ว่าดีใจเห็นใจที่มันดีใจไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่มันทํางานของมันได้เอง ง่ายๆแค่นี้เราก็ทำอะไรจนยุ่งับสนไปหมดขี่ม้าเรียบค่ายอ้อมๆไปได้นะไม่เข้าตีหรอก <c oughs> ขี่ไปจนหมดแรงหมดแรงแล้วก็เลิกเลิกไปพักหนึ่งเดี๋ยวอยากขี่ต่ออีกแล้วก็มาใหม่ไม่ขี่เคยเป็นไหมเอาละทุ่มต่อไปที่จะทุ่มสวายชีวิตจิตใจภาวนาทำไปช่วงหนึ่งหมดแรงอ่ะตอนนี้ขอไปเยี่ยมคุณชัดก่อนอ้างว่าจะไปเยี่ยมคุณชัดอนะไรเนี้ย เออนะยวมีแรงแล้วจะมาทำใหม่ของง่ายหรือ ย, ยากคิดมากยากนานอยากมากก็ไม่ได้นะอยากก็เรียบเป็นหนึ่งใน ป, ปัญญจจัยธรรมอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้พอมีความอยากก็เกิดการดิ้นรนทางใจแทนที่จะรู้แล้วก็หมดความดิ้นรนไปเรื่อยกลายเป็นดิ้นรนให้มากขึ้นมากขึ้น ม, มีความอยาก มีความคิดเห็นต้องทําอย่างนั้นต้องทอํานี้นคิดแต่จะทําหรือบางคนคิดกลับข้างทําไงจะไม่ทําได้มีนะมีความประกาศเรื่อยๆออาทิตย์สองอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งมาจริงนะจะเจอสักหลายผมอยู่กับความว่าอยู่กับมหาสุญญตาหลวงพกอาการหนักพระพุทธเจ้าบอกให้อยู่กับรูปนามกายใจหน่อยอย่าไปอยู่กับมหาสุญญตา พวกหนึ่งที่ทําให้ช้าคือพวกมานะมากมานามีสองพวกพวกกูเก่งกับดิฉันโง่พวกกูเก่งเนี่ยส่ว่าผู้ชายนะกากะมนันเลยรู้หมดละ <c oughs> พวกดิฉันโง่เนี่ยส่วนมาผู้หญิงดิฉันทําไม่ได้หรอกดิฉันไม่มีบุญ <c oughs> ของง่ายนะง่ายเลยกลายเป็นยากยากคุณนมทําอะไรคุณนม <c oughs> ลืมตัวเองไหม องยงผู้ชายนั้นดีแล้วนะดีย๋ยวพูดเท่าคอยรู้ไปเรื่อยใจเราเป็นใงเราคอยรู้ไปเรนะื่อยใช้ได้แนละ้วรู้สึกไหมเวลากิเลสมันเกิดเราเห็นของเราเองโลกหลวนลงอะไรมันโผลขึ้นมานะมันเห็นเองพนอะเราเห็นแล้วมันก็ผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปให้ดูไม่ได้มีอะไรไม่ต้องไปทําอะไรมันเอาแดงรู้สึกไปแดงเวลา มันต้องรู้เองเราต้องฝึกบางตื่นตื่นนะบางตำหนักสร้างทฤษฎีฝึกเดินจงกรมในฝันก็จะได้ไม่เมื่อ ย, ยอยายามโธตอนตื่นอย่งหาสติยากเลยแต่ว่าถ้าเราฝึกของเราอยู่ในชีวิตข้างนอกอย่างนี้นะจะจำวันเราฝึกขอเราไปเรื่อยเลยพอางคืนพอเราฝันมากกลัวเพอมันกลัวปั๊บเนี่ยนะมันจะรู้มันจะย้อนมาสู่จิตเอง เห็นไรจิตมันกลัวกลัวดับปั๊บไปมีมีตื่นฝันฝันว่านั่งดูเสียงเยังไงอ๋อยังดื่มยาอยู่อนนี้ได้ดื่มมา8 0ปีแล้ตอนนี้มันนั่งด่มไปนะไดงทีมันไม่ใช่ได้เไม่ดื่มนี่เราผ่านมาตื่นอดีๆตืขึ้นอดีบางทีมันไวว่นั้น นะเช่นเกิดฝันแล้วในหน้า ก, กลัวปุ๊บมันดูความกลัวเลยฝันว่าโมโหทะเลาะกับเขาเขโกรธปุ๊บมันดูความโกรธเลยฝึกไวจ้จนชํานาญอย่างเงี้ยปิดสบายได้ชาตินึงชาติเดียวนะชาติหน้าก็ว่าดกันใหม่เห็นมั้งไหมฝันว่าทะเลาะบางคนฝันเลือดว้างเลยไงหนุ่มันนี้ล่ะไปฝึกไหม ฝึกมาแบบไหนลูกศิษยคุณแม่ศิริมีเป็นร้า น, นเลยเยอะขึ้นทะเบียนเลยมั้งไหมขึ้นทะเบียนเอาแต่เยอะเลยมันแม่ศิริสอนก็ดีนะบอกวิปัสนากรรมาฐานงานดูจิตเหมือนมีมิตรคอยเตือนเพื่อนคอยสอบยิ่งกำหนดก็ยิ่งรู้ทางจิตจร จะยืนเดินนั่งนอนอะไรสำรวจนแต่ปรับสักนิดหนึ่งนีน่ศานะสนากรรมฐ า, านงานดูจิตเหมือนมีมิตรคอยเตือนคอยสอนอะไรนี่ก็ถูกต้องดีนะแต่เราไม่กําหนดหรอกแต่เราคอยรู้ทางที่จิตจอดถ้าเรากําหนดแล้วจิตจะไม่ค่อยจอดมันจะนิ่งๆแต่นะปรับนิดเดียวลองดูค่อยๆดูไ ป, ไ ป, ไปเป็นไงสองคนเนี้ย หลงบอดีนะฟังแล้วชื่นใจถ้าห ล, ลงนานไม่ชื่นใจเลยแล้วเวลากิเลสเกิดรู้ทันไหมจงใจดูให้รู้ว่าจงใจดูเพราะขณะนั้นอย่างอยู่ๆเราก็อยากดูว่าจิตเราเป็นไงนะเราจงใจจะดูแล้วรู้ว่ากําลังจงใจอย่างนี้ได้แล้วนี่ไง เออนะฟังไปนะสนๆ น, น, นะบางคนเอาดีๆไปฟังบางคนมีเทปอยู่ม้วนเดียวฟังอื่นเทปยืดนะเทปยืดพร้อมกับสติงเกิด อ, อย่างนีคุ้มนะเสียเทปม้วนเดียวมีอยู่เรื่องเดียวฟังจำไม่ได้แล้วไข่รเล่าฟังมีม้วนเดียวอีกคนนึงมีหนังสืออยู่เล่มเดียวมยีวิถีแห่งความรู้แจ้งเล่มที่หนึ่งมีอยู่เล่มเดียวทนะ่านอ่านอ่านอ่านจนทะลุออกไปเลย ไม่ต้องคิดมากนะฮะคิดมากยุบแดงรู้สึกแดงถ้าขอบคุณนี่เป็นเงนบ้างอยังบังคับไหมเรนนิ่งนิ่งไม่เอานะเราน้อมใจให้นิ่งใจเราเอะน้อมเขาไปจิดความนิ่งอยู่ข้างในให้เรารู้สึกไปร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไป ให้คอยรู้สึกเนี่ยร่างกายเมื่อกี้พยักหน้ารู้สึกไหมเนี่ยเมื่อกี้พยักหน้าอีกแล้วรู้สึกไหมเนี่ยเมื่อกี้ยกมือรู้สึกไหมเนี่ยรู้สึกไปอย่างเงี้นะเดี๋ยวจะสื่อขึ้นมาจิตสงสัยทราบไหมไม่ทันไม่ทันถูกแล้วต้องสงสัยไปก่อนแล้วรู้ว่าสงสัยต้องโกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธต้องโลภไปก่อนแล้วรู้ว่าโลภต้องรู้ทีหลัง แต่ทีหลังต้องติดๆนะไม่ใช่ทีหลังห่างๆจะโกรธเมื่อวานวันนี้รู้ใช้ไม่ได้เป็นไงคุณสุดท้ายเลยอ่ะสบตากับหลวงพ่อแล้วเกรงรู้ไหมหเนี่ยใจเราเกรงขึ้นมาดูออกไหมอันนี้หัดดูอย่างงี้ง่ายๆนะต่อไปเราจะเห็นอะไรอะไรโผล่ขึ้นมาไหนเราก็จะเห็นมีพ้าองหนึ่งท่านมาเล่าให้ฟังอะไรนะเอออะไรไม่เอา เห็นแล้วจับตรงที่การรู้เลยนะเห็นเลยใจเลยบังคับมันไม่ได้มันจะเกลรงมันก็เกลง็งไม่ต้องวิเคราะห์ดูของจริงวิเนะคราะห์นี่เสียเวลามันมีพระองค์หนึ่งท่านมาเล่าว่าที่ท่านดูจิตได้ครั้งแรกเลยตอนเด็กๆท่านไปงานลอยกระทงเขาจุดพลุพลุดังโป้งขึ้นมะาใจไหวพวกขึ้นมาเคยเป็นไหมใจเระไหวนะไอันนั้นกิเลสอารมณ์มันรุนแรงมันก็เลยไหวให้ดูแต่จริงมันไหวทั้งวันอ่ะ กระทบอารมณ์เบาๆก็ไหวเบาๆนะที่เราก็ไปรู้ไปมันไหวๆขึ้นมาไปรู้นะแต่ไม่ใช่นั่งเป้านะไม่ใช่เดินไปจะดูเขาจุดรู้แล้วก็เดินเจ้ามัดดูที่จะไหวอย่จุดซิทอะไรเงี้ยอย่างงี้ไม่ได้นะอย่างงี้แกล้งทมพ่อเป็นไงพ่อเออใจลอยดีถูกใจแก้วอ่ะแก้วเป็นไงใจวันนี้กับเมื่อวานต่างกันไหม วันนี้เป็นไงเมื่อวานเป็นไงวันนี้มันซึมใช่ไหมเห็นไหมแก้วก็ดูเป็นนะขยันดูนะแล้วแก้วจะดูเพื่อให้หายซึมหรือเปล่าแล้วดูเพื่ออะไรใช่ดูก็รู้สภาวะตับถูกใจหลวงพ่ออีกคนละเอาเก้าอ่ะเก้าเป็นไงวันนี้กับเมื่อวานวันไหนต่างกันยังไงเมื่อวานเป็นไงวันนี้เป็นไงเออ อยู่ใกล้กันเลยติดโลกซึมแล้วยี้ย่างี้เป็นไงลบใหญ่สับสิทธิทาไม่กวนแล้วไม่มีอะไรไม่ยึดถืออะไรไหนยังมีใครไม่ส่งกันบ้านพ่อมีคุณผู้ชายคุณที่หลังผู้หญิงเสื้อสีชมพูอ่ะ มันยังพยายามอยู่รู้สึกไมหมเราพยายามอยู่ยังยังไม่เลิกพยายามก็รู้ทันนะของคุณก็ดีแล้วรู้ทันอย่ราอ่ัที่ะัเดว่านของประมาณมามีปัญหานะแเรอุกาไป้ก็ถูกถูก่านี้ก็ถูกเนกันแถูกแบบพิจรารณาเป็นสมถะ เราคิดแล้วจิตใจเราก็ปล่อยสบายใจแต่ถ้าเป็นวิปัสนาเราก็จะดูเลยเออความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปความสุขเกิดมาแล้วผ่านไปนี่สุดใจก็ความทุกข์มาใจก็เป็นกลางความสุขมาใจก็เป็นกลางอย่างนี้ใช้ได้แต่ถ้าเอความทุกข์มาเราพิจารณาความทุกข์ก็เป็ของชั่วคราวทุกข์กับสุขก็คนเดียวกันเหมือนกันไม่ควรยึดมั่นอสอนสอ น, สอนตัวเองไปแล้วสบายใจ และสมถะคือเมื่อไรที่เจือด้วยการคิดเนี่ยอย่างมากที่สุดเป็นสมนถะคุณนี่แหละเป็นไงนั่งขัางสู้หรือรู้เรื่องเรือยังเคยฝึกไหมอยากฝึกหรือเปล่าถูกใครเขหลอกหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> บางคนถูกเหลอกมานะมันจะพามาเที่ยวเมืองการ <c oughs> เสร็จแล้วเด็กอะ่ะ พ่อแม่หลอกมาพามาเที่ยวกันตสาโงครึ่งมันร้ อ, องไ้จ้าเลย <c oughs> ไหนว่าจะพามาเที่ยว <c oughs> ถึงตอนนี้ยังไม่ได้ไปไหนเลยใจลอยแล้วใจหนุ่มนี่รู้จักไหมรู้จักใจลอยไหมใจมันหนีแวะไปเมื่อกี้นี้นึกออกไหมเราเป็นนี้ถ้ามันใจลอยเรารู้ว่ามันใจลอยนะคอยรู้บ่อยๆอย่าใจลอยนานใจลอยไม่ดีแต่พอใจลอยแล้วเรารีบรู้ไวๆ สังเกตไหมตอนฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยฟังไปคิดไปดูออกไหมไม่ได้ฟังอย่างเดียวคิดเดยอะกว่าฟังอีกดูออกไหมให้คอยรู้ทันใจเราฟังก็รู้ว่าฟังนะจิตใจของเราไปคิดรู้ว่ามันแอบไปคิดอย่างนี้พอไหวไหมเตรียมฟังต่อแล้วทราบไหมรอฟังนะเข้าไปคิดแล้วรู้สึกไหมจะเข้าไปดูมานนะ ให้คอยรู้ทันนะรู้ทันพฤติกรรมของจิตใจตนเองไม่ได้รู้อะไรหรอกตอนนี้หนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมเนี่ยให้รู้ทันเนี่ยรู้ทันแล้วเราจะตื่นอย่างนี่ยรู้สึกไหมใจเราตื่นขึ้นมามันเหมืนมนอนเราตื่นขึ้นมาเนี่ยคือภาวะแห่งความตื่นแต่ภาวะแห่งความตื่นนี่นะเกิดขึ้นชั่วขณะนะแว้บเดียวก็ฝันใหม่นะอย่างตอนเนี้หนีไปฝันใหม่นะรู้ไหมไปคิดทั้งใหม่นะ<ๆ>เข้าไปดูมันแล้วรู้สึกไหม ให้รู้ทันลงไปเรื่วยนะแล้วเราจะได้ตื่นขึ้นมาจริงๆเราง่ายที่สุดอ่ะได้เวลานะสำหรับโยเชิญกลับบ้านยั <c ười> <c ười> ตงตอบสนทนาธรรมกับพระลูกสาวสองคนนี้ก็ออยันนะดีแล้วแต่ไม่ทำเบเ่อๆนะอย่างตัวเอนะวันก่อนมาบอกว่าโอ้บุญ น, นะ